พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28มกราคม2557มีชื่อเรื่องว่าให้ยึดมั่นในตระกูลพระอรหรันต์ เมื่อในเป็นวันที่ยี่มกราคมพุทธศักราช2 5งพหลวงพ่อเองจกักแมนยังเอามาว่เหลืองแต่ละมือมาเว่ให้ลูกให้ล้านให้คณะสัทธาญาติย่อมฟั่งมือหนึ่งเอาเหลืองหนึ่งมาเว่มือนึงเอาเหลืองหนึ่งมาเว่มาเว่ให้ฟังตามติดเองเงีนมากประสบประ ก, การ แล้วก็เรื่องที่เป็นจริงได้โมเมนสียกเมกมาวอกเรื่องที่จะเป็นจริงเพื่อการศึกษาเพื่อเรียนรู้สําหรับพวกเฮาทาั้งไฟพระผอมทั้งไฟสัทธาญาตดย่อมผอมฮะแล้วก็มือเอือนมือในวันที่28วันที่29่ส้มืออื่น ฉันจะขันแล้วหลวงพ่อก็คงจะเดินทางไปสกลนครงานครบปรอบหกสิบสี่ปีหลวงปูหมันเป็นมรณภาพเขาก็จัดงานทุกปีทุกปีกูบาอาจารย์รุ่น ก, ก้อนจัดแข่งขันเพราะช่วงลางๆมากเลยก็จัดมีการไหวพระสวดมนต์แล้วก็ ฟังธรรมเทศนากูบายจาย์จนถึงนววันที่สองนทะี่สมพอดะเริ่มตั้งแต่วันที่ย9สเกวันที่29เกเป็นการบวชชีพรามหลวงพอ่อเขคงจะไปสวดมนต์แล้วเขคงจะแสดงธรรมเทศนาวันที่ย9เกาประมาณสองทุ่ม และก็พ้อมกันที่หลวงพ่อว่าจะเป็นองค์แสดงธรรมขอนิมนต์แสดงธรรมในหนังสือเขานะแต่หลวงพอก็อมาพิจารณาเบิ่งแล้วมือแต่มีแม่แต่เม่คู่บาอาจารย์ระดับใดผ่านออความผ่านห่อนผ่านหนาวมาพ่อมากพ่อชมขวนแล้วแต่หลวงพ่อไปณัสถานที่ไหนกันเห็นพระสงฆ์มากคู่บาอาจารย์ ม า, าจากวัดต่างๆมาร่วมกันพลว์พ่อจะบอกแบบโน้มน้าวหรือว่าชี้จุดให้เบิ้งในความเห็นของหลวงพอ่อแต่บางองค์เพิ่นอาจจะไปคนอัตางเพิ่นอาจจะเห็นดีกว่าเฮ้าก็ได้แต่เพิ่นบาเบาบาปากแต่บางองค์ก็เอาเป็นมีความเห็นแบบนึงเพราะหลายองค์เลยหน้ า, นาจิตตังห น, น, น้าทัศน์แต่หลวงพ่อนี่โน้มน้าวชี้จุด อีกจุดหนึ่งไอโมได้บังกู้บาลจยา์ได้เห็นน่องนุ่งได้เห็นคาว่าน่องนุ่งก็คือผู้ที่มีอายุพรรษาหน่อยก็ลงพอเออเอาน่องนุง่งแต่ว่ากูบาลจานันเนี่ยคือผู้มีอายุพรรษามากว่าเท่าก็บหอความเคารพพคนคือพี่พี่ของเท่ากันอายุพรรษาน่อยเพระว่าน่องน่องเพราะว่าลงพอโดยมากไปใส่เดี๋ยวนี้ สอบจะไปได้นั่งผุดแปะหัวหนาหรือว่าใกล้ๆหัวหนาขัน ง, ง่านน่อยก็เป็นหัวหนามู่หละพอเหตุใดพอพันษาของหลวงพ่อปีเนี่ยมันสี่สิบเกาพันษาได้ลูกหลานมเลยว่แม่นหน่อยปันใดท่านนับบวกบวกเน่นแปดเข้าไปอีกเนะชีวิตของนักบวชนี่ชีวิตพระเน่นของหลวงพ่อเนี่ยมันหาสิบกว่าปีเพราะนันหลวงพ่อไปใส่เลเนี่ย เกือบจะนั่งเป็นหัวหนาหัวแถวล่องวงมางบกี้องค์แต่หลวงพ่อเองถึงจะมีอายุพรรษาก็เถอะแต่ว่าการแสดงถ้ำวันตองละมัดระว่างแต่ว่าชัดท่ายาดโยมที่เป็นลุกชิตลุกหายอมรับเล่าก็แสดงอีกแบบหนึง่งพูดให้ฟังอีกแบบหนึง่งหรือมาออกจากจริงจังและจริงใจแต่เราเข้าไป สู่ชุ่มชนสาธารณะจังสันผู้เห็นด้วยก็มีผู้ไปเห็นด้วยก็มีผู้เชื่อก็มีผู้ไปเชื่อก็มเพอว า, อาหน้าหน้าจิตตังผู้ประมาทอยู่ก็มิแต่ว่าถึงอย่างไดก็ตามในเมื่อเข้าไปสู่จุดนั่นเข้าสี่ยวจังหดหลวงพ่อจดลักษณะธรรมเนนเห็นพระสงฆ์มากมากหลวงพ่อจะโน้มนาวเบาเออ ครูบาอาจารย์นองนองทางหลายนะเนอะเฮาเป็นลูกเต้าเล่ากอมาจจะใส่เฮาเป็นกอใดเฮาเป็นตระกูลใดไอ้ทีมาเนี่เฮาเป็นตระกูลใดให้เบิ้งตระกูลเจ้าของเนอะตระกูลของเฮาคือตระกูลหลวงปู่เสาหลวงปู่หมันเป็นต้นตระกูลแต่นอกจากหันไปเฮาบุกจักเพราะมัมีการบันทึกเป็นคอความเป็นเอกสาร แต่พอมาถึงหลวงปู่เสาหลวงปูม่มันเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเข้าได้รับการศึกษาในเป็นมหาป ร, รีญญาหลายองค์เพิ่นก็ได้ลงเขียนเป็นลิีกคิดเป็นประวัติเพิ่นก็สืบสอบถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ใส่ปฏิบัติมาจ้างไดเพิ่นก็ได้ลงเป็นประวัติอย่างพวกเข้าได้เห็น ประวัติหลวงปูหมันประวัติหลวงปูเสาประวัติแต่ละครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกของเพิลนล้วนแล้วแต่เป็นประวัติที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวที่เพิลนได้ลงทำได้บอกกล่าวไว้ให้พวกเข้าอ่านเบิ่งยังหยดน้ําบนใบบัวของลงตาเรียกว่าประวัติหลวงปูล่าเกมอัปโต หรือว่าประวัติหลวงปู่เทศเทศรังสีหรือประวัติหลวงปู่พันธอาจารโร่ล้วนแล้วแต่เป็นประวัติที่น่าศึกษาทั้งหมดอันนั้นก็คือลูกของหลวงปู่มันหลวงปู่มันเพิ่นสอนจังไรต้นตระกูลเพิ่นสอนพวกเขานี่เรื่องจิตภาวนาไงภาวนาพุทโธเดี๋ยวสายพุทธโทธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้คือสายหลวงปู่มัน แต่ถ้านี่เป็นเป็นอย่างหลงปูหมันหลงปูเสานี่เพิ่งยังเอาสายนี่มาสอนพวกเข้าถ้าเปรียบเทียบไปทั้งพระพุท ธ, ธเจ้าผุนบัตรต้นตะกูลใหญ่ของเห้านะพระบ ร, ะรมาศาสดาสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าเพิ่นสอนจังไรเพิ่นก็นในปฐมสมโพธหรือในพุทธประวัติพระพุท ธ, ธเจ้านี้ออกจากเวียงว่างไปอยู่ในป่าไปบวช ไปส่งผนวดอยู่หกปีไปอยู่ในปา่าไปค้นคว้าศึกษาเออคือกันกับไปลองวิทยาศาสตร์ทั้งสันไปทดลองวิทยาศาสตร์หรือไปทดลองกเกษตรทั้งสันล่ะเข้าปัญหาอย่างเพิ่งไปเออหรือไปทดลองออความรู้ความฉลาดความสามารถของเพลินไปฝึกฝนอยู่หกปีในเมื่อฝึกฝนอยู่หกปีไอ้คนที่ไปฝึกฝนนี่ล้มเหลวกั มากต่อมากในโลกเนี่ยแต่พระพุทธเจ้านี่ยเป็นผู้มิบุญบา ร, รมีบุญนักสักใจมากในอดีตตชาติเพิ่นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นจะไปบำเพ็ญอยู่หกปีเมื่อหกปีะวันเดือนหกเพ่นเพิ่นได้ตัตรูเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธียาณเพิ่นเฮ็ดจังไดเ น, นี่แหละเพิ่นภาวนาของเพิ่นพระพุทธเจ้าวันเดือนหกเพ่น เพินนางพาวนายุ่้คนตนโพ่เหงาตนโพ่อพุทธกยาพระอาทิตย์ยังพระท่านต๊กดินมือนันวันเดือนหกเพ่นนายโสทิยะได้นั่มยาฆ่ามาก็เลยหมอกใผ้เพลนสิทธทะกระเด็นยาค่ามาแปดกามือมาเกลียลงยุงเงาตนโพ่จากนั้นก็เพลนก็ขค้นเป็นนางนางอาสนะที่ยาฆ่าที่ปูไวแปดกามือ จากนั้นเพิินก็เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมาฐานพระพุทธเจ้าให้มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกให้พวกเข้าฟังเอาไว้คานวัฒน์นางภาวานาทะเลทะลัยคิดออกนอกโลกนอกรูนอกทางอันนั้น ว่าแมนเาวนาพระพุทธเจ้าเผาวนามีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกฮู้สติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความหลุตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ล่มหายใจเข้าออก อ, อ, อยากได้เพื่อนกันเลยาวนาพระปฐ ม, มยาม่างคือตอนหัวคําพระองค์เดช ตัตรูถ้มบดแรกก็คือปุบเพในว่าสานุสติ ญ, ญาณระลึกชาติทุนหลังได้คล้ายๆแบบเพิ่นเบิงแหละว่าตายแล้วบศูนย์ตายแล้วเกิดอีกปุบเพในว่าสานุสติญาณระลึกชาติทุนหลงังคือบอรเมเนสรุปเลย ก, ก็คือเฮาบ่ได้เกิดมากมือหนึ่มือเดียวเฮาเกิดมากมือหนึ่มือเดียวมือว่านบม่มีมือก้อนบอม่มีเดือนก้อนปีก้อนบ่มี be เฮาเกิดมากมือหนึ่มือเดียวบรมเอนจังสันประพูดใเจ้าพนวา มือว่านมือก่อนเดือนก่อนแล้วก็ขามรบคามชาติไปอีกเนี่ยวุปเพเนวาสานุสติญาณระลึกชาติคนหลัง่าชได้พอถึงเทียงขึ้นตูๆปะปาตยานพกไก่สือแจ้งอาสาวัยายานอันนี้คือวันเดือน6กเพนแต่ในหลวงปูหมั่นต้นตระกูลของเฮ้าเนี่ยเพิ่นเอากรมฐานของพระพุทธเจ้ามาประยุกไชสองยางเออสองยางก็คือ อาณาปานสติกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรัว่าหายใจออกมันลุดได้ง่ายมันลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายหลวงปู่สาวหลวงปู่หมันเพิ่นเกี่งอยากจะยิ่งจากกูบายจานของเพิ่นมากคือไงเพิ่นว่าหายใจเข้าบริกรรมว่าพดหายใจออกบริกรรมว่าโทษเอาเป็นสองเนี่ยผลใจสองพลัง đây, ้งเลยทั้งหายล่มหายใจพร้อม แล้วก็พด ท, ทรพร่อพอมกำกับนี่แหละอันนี้คือต้นตะกูลพ่อแม่คู่บ่ายจานของเขา้าจะเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าก็เข้ากันได้พระพุทธเจ้ามีแต่ว่ากำหนดลมหายใจเขา่ารู้ว่าหายใจเขา่าเนียมีสติสัมปชัญญะแต่หลวงปู่สาหลวงปู่มันเนี่ยให้บุญกรรมหายใจเขา่าพุดหายใจออกท่อหรือจะกำหนดอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้ทดลองมางกีได้พอเห็นพิษกติกาที่ตรงไหน จะหายใจเข่าพุทหายใจเขา่าหายใจออกหายใจเขา่าหายใจออกเนะ่ะก็หายใจเข่าพุทธหายใจออกโทษเนะี่ยมันก็ได้อันนี้คือพ่อแม่คู่บ่ายจานของเฮาจากเนื่องเมื่อจิตสงบแล้วบัดเนี่ยพิจารณาจังไรอันนั้นคือสมถนะเนอะวิปัสสนาจะเดินแบบไรนั่นแนหะสมถะคือคือทำจิตใจให้สงบวิปัสสนาคือคือการแยกแยะให้รู้จักเหตุและผล อันนี้แหละหลวงปูหมันหลวงปูเสาพันสอนมาถึงพ่อแม่คูบาอาจารย์เท่าบ่เนี่หลวงปูขาวหลวงปูเทศหลวงปูฝันหลวงปูอ่อนหลวงปูกงมาเอ่อหลวงปูกูหลวงปูกวาหลวงปูหล่าหลวงปูตามหาบัวเนี่ยมันก็สอนแนวแถวของหลวงปูหมันเออพ่อบาเน่พ่อคูบาอาจารย์ของเท่าบ่เนี่ที่ไลยซื้อมาทั้งหมดเมื่อท่านหลวงรับรับคันไปแล้วกระดูกของเพลนเดกลายเป็นประทัดให้เข้าเห็น หลวงปู่มันก็กลายเป็นพระาธาตุยุ่ธ์สกลนครหลวงปู่เสาก็เก็มเป็นพระาธาตุยุทวัดบ้านาธาตุพิบูรลมั่งสาหาันเมื อ, องอุบลและกูบาร์จารย์แต่ละองค์ก็เป็นพระาธาตุให้พวกเข้าได้เห็นอันนี้แปลว่าถ้าจะว่าไปเลยคือตระกูลของเข้าตระกูลพระอรหันต์พูดง่ายๆตระกูลพระอรหันต์เข้าน้าจะเสื่อถือได้ น, นมาถึงยุคของเขาเนี่ของหลานล้ะไรบาเนี่เออลงปูเสาลงปูหมันเป็นพอนลงปูต่างๆเเป็นลูกบา้านในพวกเขาเป็นลูกของคู่บาอาจารย์แล่านั้นให้ยึดแน่วแถวปฏิปทาเนะ่ยสรุประบาดเนี่ยให้ยึดแน่วแถวปฏิปทาพอแม่คู่บาอาจารย์เห่าผ้าดำเนินมาเด้ออย่าออกนอกหลู่นอกท่างพ่าแมนเขาจิต เออผู้หนึ่งมากแนะนํามาแต่นึงก็ดเจเป้ไปทต่นึ่งผู้นึงแนะนำมามั่นึ่งเเปไปทต่นึงหาจุดยืนบ่อใดนี้ไปวัดหลานหลวงปู่มันนี่แหละหลวงพ่อจิตบอกเก่าขอลองแนะนําพวกน้องๆทั้งหลายให้ยึดตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่คูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันปฏิปทาของลูกของหลวงปู่มันธรรมเลขคิดของพ่อแม่คูบาอาจารย์เท่าล้วนแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคล โบแมนสิผูกเขาทั้งอื่นมาแนะน้าแพ่งกระสินจังสันแพ่งกระสินจังสิเขาส่งจังสันเขาเจ้าจังสิเพื่อมีอภิเดหานจังสันพระลังนอกจังสันพลังในจังสิพระลังจักรว่านจังสันพระลังเทวดาจังส่พลังพระพุทธจังสันโบแมนสิทรายหนาท้ายหลังผลในสุดก็ลืมแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่กูบาดยานผ้าดําเนินมาก อันนี้บนหน้าจะถูกนะเราเป็นลูกจิตลูกหลานหลวงปูมันให้ยิดแนวปฏิบปทาของหลวงปูมันจิตให้แนนศึกษาให้ดีฟังให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามพวกเข้าโค้งจะเดินตามแนวแถวพ่อแม่กู้บาอาจารย์เดินตามผูไนยหมาบอกร์หน่ออันนี้คือการเดินตามปฏิบปทาของพ่อแม่กู้บาอาจารย์ของเห้าแล้มีแต่ความจเจริญ นี่ล่ะละหลวงพอบอมเนเทศเดเพียงแต่ว่าแนะนำโนมหน่าให้กับคณะพวกน้องๆทางหลายที่มีอายุพรรษาน่อยกว่าเนี่เราหลวงพ่อไปเบ่าอยู่ใสหลวงพ่อจะพูดในลักษณะนี้แต่พูดไปพูดมากก็เหมือนกับหลวงพ่อนี่แคบผดให้จะยึดตะแนวแถวหลวงปู่หมันบอ่อให้เอาองค์อื่นบแมเอนพวกเข้าศึกษาภาษายนี คือการเขาศึกษามาเห็ดไฮเห็ดหน้าเน่ยหลบเข้าเป็นชาวหน้าเขาเกิดมาเป็นชาวหน้าเข้าข้เห็ดหน้าพอเห็ดหนาพอแนะ น, นําเห็ดหน้าตัวเองบทธนัตทั้งเป็นบัญชีบป็นแนะนำบาเห็ดเห็ดบัญชีอาจารย์ที่เราเอาไปมากเขาสี่เจองไ่ายๆขึ้นกันเข้าเห็ดหน้าเขาต้องสอนวิธีการเห็ดหน้าหลวงปู่มันสอนแบบไหเขาก็สอนแบบนั้น อ, องค์อื่นเพิ่นถืสอนวิธีคณิตศาสตร์วิธีหน้าศาสตร์จะหลวดัดดาวเทียม อ, อ, อันนั้นเพิ่นกรสอนไปกระชุดแท้แต่เพิ่น เ, เพราะว่าพวกเข้าเนี่ยบริเลียนมากสายนั้น เ, เพราะนั้นจะว่าแคบก็แม่นจะว่าเจาะจงก็แม่นจะให้เดินตามตีหลวมากก็แม่นขั้นว่าพอได้อบอเสือบอลจากเดือนบอลจากเดินส า, า, ายไหนก็เอาตามสบายอโลกนี้มันโลกหาใดทั้งมัด คุณแม่ชี้แก้วพูดว่าโลกในโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกหาสวรรค์ใส่เจ้าของก็ได้หาความสวยใส่เจ้าของก็ได้หาความดีใส่เจ้าของก็ได้เข้าสีหายั้งมาใส่เจ้าของเขาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาะควรจะหากุญแามความดีหาบุญกุศลหาหลักเหตุผลในทางที่ถูกต้องมาประพฤติปฏิบัติมันจึงจะถูกเรือเ่องโลภโหมโม ก, ก็ะนะความขี่ลายขี่เละตกนกรกอเวจี โคดโกงปนจีเบียดบังทำความชั่วให้เกิดกับชุ่มชนสังคมความบดีบดขี่หลยทั้งหลายอย่าไปหาเหตุให้หาในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นธรรมนี่แหละเข้าเกิดมาพบพุทธศาสนาพบพ่อแม่กูบาอาจารย์ควรจะเป็นจังสัน้นเมื่อนหนหลวงพอ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งนะเอารับพรมานะ